สมัย ท, ทิพพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาเองและภาษาวกท่านสอนประชาชนท่านสอนด้วยปากเปล่าทั้งนั้น ถอดออกมาจากจิตแสดงออกมาเป็นเนื้ออัดเนื้อทมไม่มีตาหนักตาราจงกระทั่งท่านปิปั่านไปแล้วดูมันเป็นสองร้อยกว่าปีถ้ากลืมๆทั้งคายนาขั้งที่สามงได้จดจาร เป็นกำพรีไว้เนื่องจากเป็นว่าท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางอัตธรรมโดยทางจิตใจจะร่วงโรยไปเสียแล้วทำจะไม่ปรากฏกแต่โลกเต็นเม็ดเป็นหน่วยท่านจึงได้จดจาร ใส่คำเพีเไวในครั้งบุตการมาถึงสังคายงานครั้งที่สามนี้ล้วนแล้วแต่ท่านเพศตรา ก, ก่าวทั้งนั้นเพราะทำแท้อยู่ที่ใจีิเลกซึ่งเป็นค่าศึกหรือเป็นเครื่องทับถมติดใจ ซึ่งเป็นสถานที่สถิตยอยู่แห่งธรรมก็อยู่ที่ใจเวลากแก้ก็ต้องแก้ที่ใจเมื่อแก้ให้พิเรทให้สิ้นไปหมดแล้วก็เหลือแต่ทำล้วนๆแสดงออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงและแสดงออกด้วยความอาจหารตามความจริงที่ได้รู้ได้เห็น ไม่มีการสะโตสะพานโดยเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้คงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้ไม่มีในท่านผู้รู้จริงถึจริงทั้งหลายเพราะท่านไม่รู้แบบสุ่มเดาพอที่จะคงจะหรืเห็นกะเข้าไปแทรกในครั้งนั้นเกาะเหมาะ กับกระดิตนิสัยของบรรดาจัดที่พล้อมแล้วในบุคคลสองจำพวกมี้อยู่มากจำพวกสุพติตันอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระยดคุณระบุตรถ้าเป็นจวคีทั้งห้าชดินหนึ่งพันเป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นนักบวชจำนวนมาก ปกเสดินก็เป็นนักบวชเป็นเจา้าคีก็เป็นนักบวชซึ่งมุ่งต่อทำอย่างเต็มใจยอยู่แล้วเล่นพระยศกุณละบุตรซึ่งคลองเรือนอยู่แต่มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วจัดเท่าในประเภทอุคติตันยูผู้ที่รู้เห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วผู้แสดงธรรมก็เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้า ประทานพระโอาวาทให้แก่บรรดาท่านนักบวชเหล่านั้นจึงสามารถทำจิตใจของท่านเหล่านั้นให้รื่นเริงบันเทิงต่ออัตธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นบรรลุธรรมไปเริ่อับและถึงจุดหมายปลายทางได้ทำที่แสดงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย พรออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงของปพุจตะผู้สนับธรรมก็พร้อมแล้วถ้าพูดดอกถึงเรื่องดอกบัวเป็นเครื่องอุปมาหรือเป็นเครื่องเทียบเทียงก็เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วคอยจะรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นพอถูกแสงพระอาทิตย์ก็แย้มบานพระอาทิตย์ใจะถานที่หนีหมายถึง กระแสธรรมของพระพุทธเจา้าพอทรงแสดงให้ฟัง น, นั้นก็เป็นที่เข้าใจเข้าใจและแย้มบานในแก่ความบรรลุธรรมถัดลงมาอันดับที่สองก็ริปจิตันดูเรียกว่ารองลงมาเป็นอันดับสอง อันดับที่สามก็พวกเนยยะมีรวมถึงพวกสั่งใจคือปฏิบัติคือชาวเราทั้งหลายด้วยคำว่าเนยยะเป็นผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้เป็นไปได้เมื่อฝึกหัดอบรมดยได้ยินหลายครั้งไร่หุนเข้าไปธรรมะก็สามารถที่จะกินชาขบานายจิตใจ แล้วความรู้สึกย่อมจะเปลี่ยนไปได้โดยลำดับแห่งการอบร ม, มือการได้ยินได้ฟังถึงขั้นบนรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับอุคติตนูและนิปยิตตนูบุคคลประเภทที่สี่เรียปัป ะ, ะปร a r m นี่ไม่มีทางถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าหมดหนทางที่จะเกียวยารักษาโดยประการทั้งปวง ประเภทที่มืดบอดติดตลอดเวลาประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านท่านทักสะพานเทียสัไม่สั่งสอนให้เสียเวล่ำนิลาแต่ทางหม อ, อยังดีเป็นขนาดไ้นก็ยังอุตส่าห์ทำด้วยมารยาทของหมอถึงเป็นโรคขนาดนั้นก็ยังต้องให้อยู่ให้ยามีการฉีด ก, การรักษากันตามมารยาทของมนุษย์ แต่พระเุทเจ้าท่านท่า น, านชักสะพานเสียกันนะไม่แนะนำสั่งสอนในเสียเวลามเวลาเพราะไม่เกิดประโยชน์พวกเราไม่ใช่คนประเภทนั้นเป็นประเภทเนยะซึ่งสมควรที่จะอบรมตนเองสั่งสอนตอนเองพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่ว อ, อยู่ด้วยกันและเป็นผู้สนใจต่อความสุขความเจริญ โดยทางอัธรรมอยู่แล้วจึงเป็นบุคคลที่ควรนำไปได้โดยหลักธรรมของรพร ะ, ะระพุทธเจ้าเนยะแปลว่าผู้ควรจะนำไปได้ควรชักจูงได้ควรสั่งสอนได้ไม่ใช่ประเภทปะทะประมะที่มือแปดทิศแปดด่านทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นเช่นนน้นการอบรม สั่งสอนโอกาสอบรมตัวเองเมื่อได้ยินรนฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนขอให้ถือว่าเป็นสถานที่อยู่ของเราด้วยถือว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญของเราด้วยเราอยากเข้าใจสคยอย่างเดียวว่าวัดเท่านั้นเป็นสถานที่บำเพ็ญให้เข้าใจสว่าบ้านก็คือวัด วัดก็คือบ้านเพราะปลูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างต่างๆเหมือนกันเป็นที่อยู่ของคนคนเป็นเจ้าของบ้านเราเราเป็นเจ้าของเป็นสถานที่อยู่ของเราเราจึงบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกสบายตามแต่โอกาสอำนวยเมื่อเราทาได้หากเราจะ เลือกการสถานที่อยู่เรื่อยๆไปก็จะเสียเวล่มเวลาแห่งการบำเพ็ญของเราเพราะคาว่ากิเลสนั้นไม่เคยมีว่าเลือกการสถานที่เลือกเพศเลือกไวไัยไม่เป็นกิเลสอยู่เรื่อยๆด้วยความคิดความปรุงการพูดการแสดงออกโดยทางกายวาจาใจเป็นกิเลสอยู่เรื่อยๆไม่ว่าอยู่ในวัดนอกวัด ไม่ว่าอยู่สถานที่เช่นไรกิเลสต้องเป็นที่เลดเรื่อยไปพผิกเมื่อไหร่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับตามแต่ผู้นั้นจะผิดมากน้อยฉะนั้นการบําเพ็ญธรรมเราจรึงไม่ควรจะเลือกหาแต่การสถานที่โดยถ่ายเดียวแต่การต่อแสดงหาในสถานที่ที่เหมาะสมนั้นเป็นไปตามโอกาสที่จะพึงอํานวยให้เรา เมื่อไม่มีโอกาสที่จะไปได้บ้านของเราก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมอยู่แล้วให้ชิดอย่างนั้นเพราะการทำความดีทำอยู่ที่ไหนก็คือเราเป็นผู้ทำการเจริญเมตตาภาวนาเราอยู่ในบ้านเราก็ทาได้เราอยู่ในโลกเขาก็เป็นโลกเราก็เป็นโลกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกมันต้องมีทั้งเขาทั้งเรา มีรูปมีเสียงมีกลิ่นรถเครื่องค้มผัดต่างๆมีอยู่ทั่วๆ่วไปหากเราจะให้รอให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากโลกแล้วเราถึงจะภาวนาหาที่สงดสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งภายนอกภายในคือมีอยู่ทั้งกับตัวของเราบริเวณที่อยู่ของเรานอกบริเวณที่อยู่ของเราในครอบครัวของเราก็มีนอกครอบครัวก็มี ไปที่ไหนมีแต่สิ่งแบบนี้ซึ่งเป็นโลกด้วยกันอาจจะทำให้เราเสียเวลาไปเปล่ า, ปล า, ปลาเป้าเขาก็เป็นเขาโลกก็เป็นโลกเราก็เป็นเราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญพยายามอบรมจิตใจของตนด้วยอัดด้วยทำมีการบังคับบัญชากันบ้างนั่นแหละดีเพราะใจเป็นสมบัติสำคัญอันหนึ่งของเราที่จะต้องสนวนรักษาหรือบารุงรักษา ถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผลที่จะพึงตามมานั้นจะไม่เป็นผลที่พึงราดธนาทั้งนั้นมีแต่ผลที่ไม่พึงตาดธนาคือความทุกข์ความทรมานจิตใจการหักห้ามการฝึกฝนอบรมตนสมกับเราเราเป็นเจ้าของนี้เรามีทางที่จะรับผลคือความสุขความสงบเย็นใจของเรา ตามลำดับแห่งการฝึกฝนอบรมได้เราจะพลอยให้สถ า, านที่เวลามเวลานาเป็นเครื่องอบรมเราหมายถึงตัวของเราเองเป็นผู้อบรมอยู่ที่ไหนก็ใจก็สบายหลักศาสนธรรมทั้งสิ้นท่านสอนลงที่ใจมนุษย์ ทำไมศาสนาจึงประกาศลงในมวลมนุษย์ของเราเทวุตเทวดาอินพรมมีมากมายซึ่งเป็นผู้ละเอียดออนทุงควรที่จะประกาศศาสนาได้แต่ทำไมพระองค์จึงมาประกาศศาสนาหรือประทานศาสนาไวส้สำหรับมนุษย์ก็เพราะเห็นว่ามนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางและเป็นความสแสดงออกได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเทพพวกอะไรเหล่านั้น าหากเราจะพูดตามธรรมชาติของธรรมแท้แล้วเป็นความละเอียดจนอาจพูดได้ว่าสุดวิสัยของมนุษย์ใดๆจะรู้ได้เห็นไดน้ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเบื้องตน้นทั้งๆ ท, ที่พระองค์มีพระประสงค์ดืจทำความปรารถนาไว้แล้วว่า จะบ ำ, บำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความตรัสรู้สั่งสอนโลกคือเป็นศาสตาสั่งสอนโลกแต่พอได้ตรัสรู้ ร, รมเข้าในขนาดนั้นในทรงเห็นว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เลยภูมิมนุษย์ความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้เกิดความท้อพระทยัยมีความทนขวายน้อยขึ้นมาในขนานั้น นี้ก็เพราะทำเป็นสิ่งที่ละเอียดมากจนถึงกับลบล้างความปรารถนาของพระองค์ลงได้ในขณะนั้นความปรารถนาของพระองค์นั้นคือปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามีเป็นอันดับแรกปรารถนาเพื่อเป็นศาสดาสั่งสอนโลกความที่จะสั่งสอนโลกในขณะนั้นเลยหมดสิ้นไปเพราะ ทรงเห็นว่าทำเป็นของอัศจรรย์เลยความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้ทําให้ทรงมีความข้นขวายน้อยไม่อยากสั่งสอนใครเลยท่อพระไถยในขณะที่จักจะรู้ครั้งแรกเพราะเป็นทำอัศจรรย์อย่างายิ่งภายในท่อไถยไม่สมควรที่จัก ประเภทใดจะสามารถรู้ได้อย่างที่รู้ที่พระองค์รู้เห็นในนี่เป็นเหตุให้พระองค์มีความค้นขวัญน้อยต่อการต่างสองสัตว์ไมเรียกว่าลบล้างความปรารถนานั้นโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นเมื่อขณะต่อมาก็ทรงลําพึงพิจิตรณาให้กว้างขวางออกไปว่าธรรมนี้เป็นของประเสริฐเป็นของละเอียดราวกะว่าสุด เอื้มของภูมิมนุษย์ก็ตามแต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหากเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมสุดความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้แล้วเรารู้เราเห็นทำนี้ได้อย่างไรเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วทั่วไปนี่เป็นความพิจารณาทบทวนในพระองค์เอง ก็ทรงทราบได้ว่าการรู้เห็นนี้รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรเราถึงรู้อย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราถึงรู้ได้อย่างนี้นี่เป็นคนเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะลี่คลายทำนี่ออกสู่โลกและลี่คลายความปรารถนาน้อยหรือความทาความหมาขวัญน้อยให้กลายเป็นภูมิของพระพุทธเจ้าผู้มีความกว้างขวางมากมายให้เกิดขึ้น ด้วยวิธีการทบทวนความรู้และปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญจนถึงกับขั้นตรัสรู้ธรรมว่าการรู้ธรรมเช่นนี้รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจึงทรงยึดเอาหลักข้อปฏิบัตินั้น มาเตือนพระองค์เองว่าก็เมื่อมีข้อปฏิบัติเมื่อได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยข้อปฏิบัติทางดําเนินที่เราได้ปฏิบัติและดําเนินมานทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ทางนี้ทางคือข้อปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเหง็นจริงในธรรมทั้งหลายดังที่เรารู้แจ้งเหง็นจริงเวลนี้อยู่แล้ว เมื่อนำทำนี้ออกไปสั่งสอนโลกโลกทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือทำอันประเสริฐนี้ก็มีอยู่ปฏิปทาเครื่องนำเนินเพื่อถึงธรรมมาชาตินี้ก็มีอยู่เมื่อนำอุบายวิธีการที่เราได้รับผลมาแล้วนี้สั่งสอนสารโลกโลกต้องรู้ได้เช่นเดียวกับเราไม่มากก็น้อยเพราะปฏิปทานี้กลงแน่ต่อ ความบรรลุหรือความปรับสูุธรรมตรงนี้ทั้งนั้นไม่มีทางปีกย่อยหรือไ ม, ม่ทางไม่มีทางแตกแยกไปไหนเมื่อทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมามีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกมาเอาสั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะปฏิบัติ เหล่านี้และโลกจะสามารถรู้ธรรมเหล่านี้ได้ด้วยปฏิบัตาเครื่องอํานวณที่เราสั่งสอนนี้แน่นอนแล้วกับตรงพระไทยที่จะสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาและด้วยปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศาสนธรรมเหล่านี้นี่เป็นอันดับแรกเรียกว่าเป็นธรรมาาิฐานคือพระเมตตานี่แหละที่ให้พระองค์มีพระไทยในการที่จะ สั่งสอนสัตว์โลกอันดับที่สองก็ปรากฏเป็นบุคลาธิฏฐานขึ้นมาถ้าเราจะแยกเป็นธรไมฐถาหรือบุคลาทิฏฐานก็มีท้าหมหาพรหมมาราธนาพระพุทธเจ้าให้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระธรรมเหล่านี้ว่าพรหมมาจรูปการเป็นต้นจากนั้นก็ทรงเลงยานพระองค์ดูสัตว์โลกว่าผู้ใดที่ควรจะได้รับธรรมก่อน เนี่ยเป็นปฐมฤกษ์แห่งการแสดงธรรมใครจะได้รู้เห็นธรรมนี้ก่อนเมื่อทรงเรียงยานไปก็ทราบถึงเรื่องดาบ ท, ทั้งสองที่พระองค์เคยไปพักอาศัยศึกษาอบรมอยู่กันดาบ ท, ทั้งสองนั้นก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปเสียแล้วตั้งแต่เย็ยนวานนี้หน้าเสียดายแล้วก็ย้อนมาถึงเบญจวคี์ทั้งห้า จึงได้มาสั่งสอนเนบญจวัคคีทั้งห้าโดยธรรมจักกับปวัตนสูตรมีพระอัญญาโคนัญญาเป็นผู้รู้ธรำเห็นธทำในขั้นเริ่มแรกที่เป็นปฐมมะเร่ขแผงธรรมของพระองค์คือพระัญญาโคนัญญานั้นได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นอุทานขึ้นมาในขณะนั้นว่ายังจริยสมุดายธรรมังสับบันตังนิโรธธรรม ถึงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องมีความดับไปเป็นแน่นอนเป็นความซึ้งถึงใจนี่เป็นอุทานที่แสดงออกมาจากใจที่รู้เห็นทำด่านั้นก็แสดงอนัตตาละคะนสัสตรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายนอกภายในย่นเข้ามาสู่ใจดวงเดียวนี้เป็นตะวกทีทั้งหลายก็ได บรรุธรรมทั้งห้าองค์ถึงขั้นสูงสุดบิมดมุทภณิทานนี่ก็เห็นประจักษ์ในพระไัยของพระองค์ว่าธรรมของเราที่แสดงเป็นปฐมเลิกนี้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจนจาานั่นก็สั่งสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ้วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วกล่าวถึงการสั่งสอนโลกด้วยพระโอษของพระองค์เองเพราะทาอยู่ที่ใจทั้งหมด การสอนธรรมก็คือยกออกมาจากความจริงที่พระองค์ทรงรู้เห็นภายในพระไัยนี้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบในขณะที่แสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรนั้นเสียงกระแสของธรรมก็ได้กระจายไปถึงเทวโลกคุมมานาังเดวนานังเลื่อยไปนะจนถึง พร ม, มาการจิตาถึงพรมที่สิหกชั้นดังแสดงไว้แล้วในธรรม จ, จักรพวกนี้ส่งต่อถึงพวกนั้นว่าพระธรรมเกิดแล้วพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกระแสแห่งพระธรรมของพระเจ้าได้สะเทือนโลกแล้วเวลานี้แล้วทั้งนี้ส่งต่อชั้นนั้นชั้นนั้นส่งต่ อ, ตอชั้นนั้นจนกระทั่งถึงพรมที่สิหกชั้นประกาศกัางวันทั่วโลกกาะทำธรรมของพระเจ้าสะเทือนทั่วโลกกระทำ บรรดาสาวกที่ได้บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทั้งนั้นปฏิบัติตนแล้วบรรดาสาวกเหล่านั้นที่ไปสั่งสอนประชาชนก็สั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในใจิตใจไม่ได้สั่งสอนจากความจําแต่สั่งสอนออกมาจากความจริงคือนําความจริงออกไปสั่งสอนโลก วากิเลส จ, จะเป็นกิเลสประเภทไหนเป็นสิ่งที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นและละได้แล้วทั้งนั้นว่ามรรคผลนิพพานก็ดีเป็นโซดาสกิทาอนาคาอะรหัดก็ดีเป็นสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วทั้งนั้นการแสดงออกแห่งธรรมจากความรู้ความเห็นอันแท้จริงของตนนั้นจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงความจริงเต็มส่วนผู้ฟังจึงฟังได้อย่างถึงใจ และสามารถบรรลุธรรมได้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นในครั้งกุศการจึงมีปรากฏในตำราว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่เวนยศาตร์แต่ละครั้งละครั้งนี้ปรากฏว่าคนบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจำนวนมากทีเดียวคือบรรลุธรรมต่อพระพักของพระองค์เหตุใดจึงต้องบรรลุธรรม ก็เพราะทาเป็นของจริงผู้แสดงแสดงด้วยความจริงผู้ฟังก็ฟังด้วยความจริงคือฟังด้วยความพร้อมแล้วเราจะเรียกว่าทางปัญัยก็ได้ผลจึงปรากฏอย่างรวดเร็วให้ขั้นนานเข้ามานานเข้ามาทมคือความจริงพานใจิตใจ ก็ค่อยจะลบเดือนไปลบเดือนไปสําหรับผู้ปฏิบัติรุบรูมดอนๆอนความจริงจึงไม่ค่ายปรปากฎพนากิตใจการแสดงออกจะให้ตรงตามหลักความจริงจึงเป็นไปไม่ได้ผู้แสดงก็แสดงด้วยการรูปรูมคําำหรืองูปลาปลาผู้ฟังจะได้ความจริงมาจากไหนเมื่อผู้แสดงก็แสดงแบบงูปลาปลาเแสดงงูปลาก็าาาาาไม่รู้จริงการไม่รู้จริงเพราะไม่ปฏิบัติจริง ให้ถูกต้องตามความจริงจึงเอาความจริงออกมาแสดงไม่ได้เมื่อเปอ็น่งนั้นผู้ฟังก็จะฟังเอาความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่ได้อยู่นั่นเองนี่ความผิดกันก็ผิดอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตําหนิติเตียนอันนายทั้งหมดเรากล่าวอันโดยความจริงมาเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยปัจจุบันนี้ก็เถอะถ้าลงได้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงแล้ว การเรียนมากเรียนน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ผู้ปฏิบัติได้ปรากฏผลขึ้นภ า, ายในจิตใจของตนจะเป็นขั้นใดภูมิไหนก็าตามหรือในแง่ใดแห่งธรรมในภาคปฏิบัติก็าตามจะสามารถพูดได้ตามความจริงของตนที่ปรากฏด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะพูดได้ตั้งแต่ครั้งพุทธการครั้งนี้ก็พูดได้เพราะทําเป็นของใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลาศาสนธรรมเป็น ธรรมชาติที่หมายเอี่ยมตลอดเวลาคําเก่าแก่หรือขําค่าชะาลาก็คือผู้ปฏิบัติทำแบบหรือรุ่งโดนๆสุ่งผงต่ำๆไม่สม่ำเสมอผลสุดท้ายมันก็มาตกอยู่กับพวกเราแล้วเราจะป ร, จาประาำนิพพานพรมพุทเจ้าว่าใ้ผลที่ตรงไหนนอกจากํำหนิตัวของเราเองว่าเป็นผู้ทำไร้ผลต่อตัวเองหากทำเอาจิงเอาจังเหมือนครั้งนั้น ทำเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลส อ, อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นเครื่องผูกกิเลสไม่ไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสทำไมจะแก้ไม่ได้ทำไมจะปราบปรามกิเลสไม่ได้ต้องได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทนา ใจยังทำให้ประจักษ์ภายในใจได้อย่างชาัดเจนคุณงามความดีที่เรียกว่ากุศลซึ่งเราสร้างไว้มากน้อยมาแต่กลับใดกันในก็ตามวันใดเดินใดปีใดก็ต า, ามในชาติปัจจุบันนี้ซึ่งเราจำไม่ได้แต่จะมารวมตัวอยู่ที่องค์แห่งภาวนานี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้ผิดตัวเอง เป็นภาชนะที่เหมาะสมแต่ทำทั้งหลายแล้วก็จะเป็นที่รวมแห่งกุศลที่เรียกวเป็นภาชนะแห่งกุศลทั้งหลายรวมอยู่ในนั้นหมดจะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีผลของทานของศีลก็ดีภาวนาก็ดีมารวมในภาชนะอันเดียวคือใจที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วกับธรรมนั้นๆหรือกับกุศลนั้นๆ รวมกันอยู่ที่นี่ความสงบซึ่งไม่เคยปรากฏภานานจิตใจเลยเมื่อจิตด้ถูกบงังคับบัญชาด้วยสติกากับด้วยบุตรธรรมมีพุทโธเป็นต้นหรืออานานตาณสติตามแต่จริกชอบมีให้มีกากับใจโดยมีสติเป็น เก่ของรักษาอยู่สมยใจจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบจะฟุ้งสร้างไปไหนไม่ได้เมื่อถูกบังคับบัญชาเพราะจิตเป็นสิ่งที่บังคับได้จิตใจเป็นของเราเราเป็นผู้บังคับได้ยากลำบากแค่ไหนเราก็ต่อสู้เพื่อการบังคับให้จิตเป็นจิตที่ดีขึ้นมาก็ต้องดีได้เมื่อใจมีความสงบ เรื่องความสุขไม่ต้องถามที่ความสุขตากฏขึ้นไม่ได้ก็พอใจก่อควนตัวเองให้เกิดความพุ่งชั่ง น, นำขานคิดนั่นคิดนี้คิดอยู่ตลอดเวลาสั่งสมแต่ไฟแต่คืนให้รุ่มร้อนทาในตัวเองใจจึงหาความสงอบเย็นไม่ได้เมื่อเราได้อบรมจิตด้วยจิตตะภวรณนาบังคับจิตด้วยสติกำกับใจด้วยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง มีพุโทโธหรืออนปาปาจิตเป็นต้นจิตเมื่อมีที่ยึดมีผู้กากับรัษกษาควบคุมคือสติอีแล้วก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบไม่ก่อควาตนเองด้วยอารมณ์ที่เป็นค่าสิดต่างๆแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความสงบซึ่งเคยได้ยินมาแต่ก่อนตามตำลับตำลาหรือครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนั้นจะมาปรากฏที่ใจของเราเป็นตัวจริงขึ้นมา พอเราได้ประสบความจริงเข้าเท่านั้นเพียงครั้งเดียวจะสามารถดึงดูดจิตใจของเราให้มีพลังขึ้นอีกมากมายศรัท ธ, ธาก็จะผิดปกติซึ่งเราเคยมีอยู่แล้ววิริยะความภาคเพียนก็เพิ่มขันติความอดทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านโหมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวเพราะอำนาจแห่งความเห็นจริงนี้ปีกาลังมากหรือมีนิทาสักดานุภาพมากเป็นเครื่องดึงดูดได้ เป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้เพิ่มพลังแห่งความสงบเ ย, งย็นายความป่องสายของจิตขึ้นมากๆด้วยอำนาจแห่งความเปลี่ยนขึ่งเป็นกําลังหมุนกันเข้าดูที่ไหนก็เย็นจรเพราะความร้อนจริงๆมันร้อนอยู่ที่จิตทุกอยู่ที่จิตเป็นส่วนให่กว่าส่วนอื่น ถึงร่างกายจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นธรรมดาของภาตของขันหากจิตไม่กำเริบไม่วุ่นวายไปตามแล้วจิตก็ไม่มีโรคใจก็สงบสบายแม้สุดท้ายร่างกายจะแตก้อแตกไปเพราะทราบอยู่แล้วว่าร่างกายนี้เป็นคู่กับความตายอยู่เนีวยมันเกิดขึ้นมาก็เกิดเพื่อตายเราเรียนทาเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เองเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งมีอยู่ประจาตัวหรือรอบตัวของเหลานจนเป็นที่เขา้าใจ เมื่อถึงการที่จะประกาศความจริงขึ้นมาด้วยความตายแล้วเราพร้อมที่จะทราบพร้อมที่จะยอมรับด้วยสติปัญญาของเราที่เข้าใจกันแล้วโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวตายก็ตายไปความรู้อันเด่นชัดซึ่งมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาหรือเป็นเครื่องขัดเกลวได้อย่างเรียบร้อยแล้วนี้ข้อเป็นตนของตนโดยสมบูรณ์ร่างกายนี้แตก ไปหาใหม่ได้ด้วยสมบัติภายในของเรามีคือบุญกุศลนั่นจะได้ดียิ่งกว่านี้อีกมากมายหากเรายังไม่พ้นจากวาตตาสงสารเมื่อไหร่เราจะได้ถ้าฐานที่ดีคติเป็นที่เหมาะสมเป็นสมบัติของเราหากวาสนาบารมีของเรามีแต่ข่าด้วยอํานาจแห่งการบําเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็สลัดปัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปถือกรรม เนื่อเกิดที่ไหนอีกต่อไปเรียกว่าบรมมาสุขนิพพานังปรามังสุขขังเป็นขึ้นที่ใจของเราผู้สิ่งกิเลสเครื่องก่อขวนโดยสิ่งถึงแล้วนี่แหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนกันสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อ น, นิพพานคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาอาชาวะเครื่องปิดปกปิดกำบงังความลูแ้แจ้งแจงตลอดภ่ า, นาในจิตใจ ดังนั้นจึงต้องเอาปัญญาเอาศรัท ธ, ธาความเพียรเข้าไปเปิดไปรือ้อไปถอนสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปโดยลำหนับจนกระทั่งหมดไปโดยชิงเชิงความสว่างก็าจางแจ้งความพ้นจากภัยก็เป็นอิสระก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดงนั้นอย่างเต็มดวงนั่นะจะให้ชื่อวันนี้ผานก็ตามให้ชื่อก็ไม่หิวไม่หอยเพราะความจริงได้ทาบัญญาจักใจอยู่แล้ว นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเช่นนิพพานนางปรามังสุ ข, ขงังหรือนิพพานนางปรมังสุญอย่างศูนญไปไหนโลกเขาจะว่าใช่ไหมเพราะเธอความศูญของพรนิพพานเป็นอย่างไรผู้ผู้รู้พระนิพพานเท่านั้นเป็นผู้จะทราบเรื่องความสูงประเภทนี้คนอื่นมีกี่ร้อยกี่มื่นกี่แสนคนก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบตามความจรงิงแห่งความสูญของพระนิพพานนี้ได้เหมือนผู้ที่รู้พระนิพพานผู้ที่รู้พระนิพพานก็คือผู้จิต มีจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะเป็นผู้รู้อย่างประจักษ์จักรธรมนิพพานังประมังสุขขังก็เช่นเดียวกันเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นสุขอย่างไรก็มีผู้ที่รู้พันธุ์พนเท่านั้นเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ประจักษ์ไม่มีความสงสัยแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือประจักษ์ความรู้ที่เรารู้อยู่เวลานี้ การแสดงทำให้ฟังเวลานี้ก็แสดงเพื่อผู้รู้ผู้รู้คูนี้แหละจะถึงท่านบริสุทธิ์ได้ก็คือผู้นี้ถึงผลิพานได้ก็มีผู้รู้อันเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นได้จะไปถึงนี่ผ่านได้ธาตสี่ขันห้าเขเป็นเรื่องธาสี่ขันห้า 4, 5, ไปเสียจใจเป็นอะไรไม่ได้นี่จิตดวงเดียวเท่านี้ที่แหลมคมที่สุดถ่านจึงสอนประกาศสอนทำลงที่จิตนี่แหละมนุษย์เรา เป็นภูมิที่เหมาะสมแกศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานไว้ให้สำหรับมนุษย์เราเดียวกับว่าวาสนาของเราเหมาะสมอยู่แล้ว เ, เวลาบุญก็สะมบาปก็สะได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามะติกำลังความสามารถของเราแล้้พากันทำความอุตสาห์พยายาม นี่แหละคือสิ่งที่เป็นชริมงคลอย่างยิ่งได้จากความดีที่เราสร้างเราทํานี่คือมงคลเราจะไปหามงคลจากที่ไหนไม่เจอถ้าหาจากความดีนี้แล้วเจอบันยั่งคำการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจรึงขอจุตติเพียงเท่านี้